رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبرا إن فضله كان عليك كبرا อุลล่านเจตมาติลอินซุฮันจินูอัลอายะตูอัลาอิยะตูบิมิสฮะตุลควาลิละตูนบิมิสฮะอัลอายะ تون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل م ث أ ل فَأَبَى أ ك ْ ث َ ر ا ل ن َّ ا س إلَّا ك ُ ف ُ و ر ا ف َ أ َ ب َ أَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا ك ُ ف ُ و ر ا لَكَ حَتَّى ت َตْ ج ُ ر َ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ ي َาْด้พบก م นอีกครั้งใน ل วรรค์ขอให้เร ل ได้ م บกันอีกครั้งในสวรรค์ขอให้เราได้พบกันอี ن ครั้งในสวรรค์ขอให้เราได้พบกันอีกครั้งในสวรรค์ขอให้ أ ش ه د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أ أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خ ل ق ت ن ي وأنا عبدك وأنا على ع ه د ك ووعدك مستطاع อับุเอลกับใ إ อามะทิคอาลัยและอับุบิญบีฟักฟิกลิ์และอื่นอื่นไม่ยักรู้หนูบั่ ا, إ, أ خ ันตะอ้างุบิคัลิมา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 เวลาของซุบหรือของเวลาฟะเยที่รักทั้งหลายการประคดยเวลาก่นอนเดินเราขอบคุณอ l l a h าละุ์ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุตุุุุุุุุุุุุุกุุุุุุุุุาุา الله, ุาุุุุุุ สุบะสองรากาดด้วยความตั้งใจและก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตัลาขอคุณอัลลอ์ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานนะครับทบทวนอัลกุรอานพร้อมกับความหมายของอัลกุรอานแล้วก็ตัฟเีรอธิบายบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้พวกเราได้นำเอาความรู้จากอัลกุรอาน ไปปฏิบัติเพราะความรู้ที่ผ่านอัลกุรอานเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ว่าสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเพราะเป็นความรู้ของของอัลลอ์ไม่มีความคิดของมนุษย์เจือปนอยู่ในคำสั่งของอัลกุรอานแต่ละอายะแต่ละอายะที่เราศึกษาเนี่ยไม่มีข้อคิดจากมนุษย์แต่ทั้งหมดนั่น เป็นความรู้ที่มาจากอ Al ัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮวันนี้เราทบทวนมาถึงสูร Al ์อัลอิสรฺอะอายะที่ปบห้าอายะที่85หก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาจิะที่ที่แล้วไม่ได้เรียนไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่จังหวัดสงขลานะครับ อายะที่แล้วนะครับอายะที่84เนี่ยก่อน ถ, ถึง85เนี่ย mm. ก็อาคุยนิดนึงนะเพื่อความทรงจำอลัลลอฮฺจะกล่าวบอกว่ากุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงสอนจงบอกจงดะวะ่าจงตับลีสอนว่าไงกุลลุยยะมาลุอาลาชากิลาติตรงนี้แปลว่ากุลลุนแปลว่าทุกคน คนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยประมาณเจ็ดพันล้านเนี่ยทุกคนนี่นะ ย, ย่ามลกท็กทําก็ทํางานหรือทํางานอาละชากิเลสีตามรูปแบบคันลองของเขาคือแต่ละคนแต่ละคนทํางานทําความดีจะทําไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันแต่ความดีท่านทำไหมทํานะครับ ทำคนละอย่างสองอย่างทั้งหมดเป็นความดีทั้งหมดนั่นแหละทีนี้คนที่ทำความดีเนี่ย <t> ฟารบบุคุมอัลลอมูบิมันฮุวาอัฮดาซาบีลาพระผู้อาภิบาลของท่านเนี่ยทรงรู้ดีในจำนวนเจ็ดพันล้านคนมีใครบ้างที่ทำแล้วเป็นความดีที่อยู่บนทางนำของอัลลอ์ที่ถูกต้องที่สุดอัลลอ์รู้ เราเองไม่ต้องมาคุยเพราะฉนั้นเนี่ยทำของที่ถูกต้องที่สุดน่ยห้ามคุยแต่ว่านาบีก็สอนบอกว่าคนที่จะทําของที่ถูกต้องที่สุดนั่นต้องมาอาณาอไลฮิวะอัลฮะบีทําความดีตามที่ท่านนาบีได้สอนในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มาอาณาอไลฮิวะอัลฮะบีแล้วก็ทําตามบรรดาสุขบะ ของท่านนาบีเนี่ยคนที่ทำตามนาบีจะทําตามสัฮาบ้าท่านนาบีนั่นแหละนั่นแหละเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าไปดูถูกสัฮาบ้านาบีไม่ได้ตําหนิสัฮาบ้านาบีไม่ได้ทําไมอ่ะตําหนิสัฮ า, าบ้ามาดีไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ยกย่องสัฮาบ้าท่านนาบีที่มาจากสองเมือง จากนครมักกะและจากนครมดีน่ะเป็นบุคคลที่เป ah ah ็นบุคคลที่เดินตามนบีเชื่อนบีที่ดีที่สุดกรอ่านตรงไหนสุร่าเตาบะอายาทีหนึ่งร้อยกต้องลองไปเปิดทบทวนดูอัลชาบิคุนัลอาวุลูนมินัลมุฮาจิลีนอัลอัลองซ่ัลตบะอุมบิอิฮซานรดิอลลอฮุอันหุมวะรดูอัน เนี่ยอายานี้แหละเป็นอายาที่รับรองว่าบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราคนในยุคแรกๆพวกมุฮาจิรีและพวกอัลซอรคนที่อพยพยจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมาดีนะแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องที่ไปจากนครมักกะเนี่ยสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสองกลุ่มที่ อัลลอ์ดีที่สุดวัตตาบอุมบิอิฮซนแล้วก็ผู้ที่เดินปฏิบัติตามแนวทางของคนสองกลุ่มนี้เดินตามสัฮาบะท่านนาบีคือเอาสิฟัตลักษณะอัคลาของสัฮาบะเอาของนบีนำมาไว้ในตัวของเราวัตตาบอุมบิอิฮซน รดิยัลลอฮุแอนหุนว่รูแนตรงนี้แปลว่าอะไรอัลลอฮ์ทรงพอใจโอ้ถ้าอัลลอ์พอใจแล้วจบว่รดูแอนหุแล้วพวกเขานั้นก็พอใจที่จะปฏิบัติตามอัลลอ์ปฏิบัติตามทานนบีมุฮัมมัดลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล ราดยาลอ้อนอุใช่ไหมอัลลอฮ์พอใจว่ราูอ้นอุ่นแล้วพวกเขาก็พอใจแต่อัลลอฮ์เราชมว่าอัลลอฮ์พอใจก่อนเพฉนั้นวันนี้เราต้องเดินตามนบีมุฮัมมัดแล้วก็เดินตามใครนะซอฮับบะถะนบีฮัดดิบอกไงมาอานาอัลไลฮิวาอัลชาบีมาอานาอัลไลฮิวาอัลชาบีเนี่ยเพาน คนที่ปฏิบัติตามคําสอนที่ท่านนาบีสอนกับสัฮาบ า, า น, นาบีวนันนู้นแล้วก็ปฏิบัติตามซอบ้านของท่านนาบีอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเรามีบุคคลตัวอย่างที่จะปฏิบัติตามความดีนะครับให้อัลลอฮ์พึงพอใจเอาวันนี้เรามาทบทวนอัลกุร อ, นอานอายะที่8ปห้า อาญาติกำลังจะเรียนเนี่ยรู้ไหมเรียนเรื่องอะไรเรียนเรืเร่องวิญญาณ <c oughs> วิญญาณวิญญาณในภาษาหรบบเรียกว่าอัลลอฮฺอัลลอฮ์รูร้แปลว่าวิญญาณอะดุกลันวายสอัลูนักอานิรูห์และพวกเขาเยสอาลูนักพวกเขาจะถามท่านนบีนะ คำว่ากล้ามาถึงนบีมุฮัมมัดพวกเขาจะถามท่านนาบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับอนิรุษเกี่ยวกับวิญญาคนที่ถามเนี่ยใครรู้ไหมมาชัยซา บ, บานาบีถามเป็นคนมุสริกีนอ่าเป็นคนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ถามท่านนาบีมุฮัมมัด คนที่ถามคือมุชริกีนกุเรชคนมุชลิกีนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ซึ่งเป็นชาวกูเรชเนี่ยถามท่านนาบีเรื่องวิน ญ, ญาสาเหตุที่ถามเนี่ยไม่ใช่เพื่ออยากจะรู้ไม่ใช่เพื่ออยากจะหาความรู้เนะี่ยไม่ใช่แล้วก็สองไม่ใช่เพื่อหาความรู้มาแล้วมาขจัดความโง่ให้ออกไปจากตัว ที่ถามไม่ได้ถามเพื่อหาความรู้ไม่ได้ถามเพื่อจะข จ, จัดความโง่ตัวเองยังสงสัยอยู่เอ๊ะรวเป็นยังไงไม่ได้ถามเพื่อหาความรู้และไม่ได้ถามเพื่อข จ, จัดความโง่ที่อยู่ในใจของตัวเองแต่ที่ถามเนี่ยถามเพื่ อ, ยอเยอะเยยนบีอ่าถามเพื่ออิมติฮานถามเพื่อสอบ เพื่นะเพื่อลองภูมิลองปัญญาวะท่านนาบีมนะุฮัมมัดน่ะเป็นนบีจริงหรือเปล่าก่อนที่จะมาถามท่านนาบีเนี่ยเขาไปปรึกษากับคนยิวก่อนแล้วในหมู่บ้านเนี่ยคนยิวยังนั่งอยู่ยังยังมีอยู่ก็ไปถามไปหาคนยิวไปหาคนยิวทําไมเพราะคนยิวเนี่ยเคยอ่านคัมภีเตารอกมาก่อน แต่คัมภีร์เตารอเนี่ยทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์คนยิวอ่านมาก่อนฉะนั้นคนที่อ่านคัมภีร์เนี่ยทุกคนเนี่ยฉลาดฉลาดคนที่ไม่เคยอ่านคัมภีร์เนี่ยไม่เคยฉลาดฉะนั้นคนอาหรับเนี่ยไม่เคยอ่านคัมภีร์เลยทั้งชีวิตคนยิวต่างหาที่อ่านคัมภีร์มาฉะนั้นมีปัญหาหนักๆเรื่องมุยงวิญญาณเนี่ย คนอาหรับมักจะไปบูชารูปปั้นรูปเจเวตเนี่ยนึกไม่ออกหรอกก็ไปถามคนยิวคุณยิวก็เอาเลยสนับสนุนและไปเล ย, ไ, เลยไปถามเลยจะรู้เลยมนะูฮัมหมัดเป็นนบีจริงหรือเปล่าให้ไปถามสามเรื่องนะในรายงานฮะดีสบอกให้ไปถามสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งถามว่าคนที่อยู่ในถ้ำนะอ่า คือใครอสฮาบุลกาฟีนะ่ะคือใครโอ้แล้วก็อาซาบุลกาฟีนะ่ะคนชาวมาค่าไม่รู้นะ่ะนอกจากคนยิวคน่นั้นที่รู้เพราะคนที่อ่านคัมนภะีร์น่ะรู้แล้วก็ต่อมาถามเรื่องอะไรนะเรื่องวิญญาณแล้วก็ถามมีเรื่องหนึ่งเรื่องเระเจ้าชาวะไรนะซุลกนอนไนน์อ่าคืออะไรคนที่มีสองเขานะ่ะ ถามสามเรื่องนะถามสามเรื่องอะไรนะเรื่องวิญญาณสองเรื่องอาชาบุลกาฟีชาวถา้ำอ่าแล้วก็ซุลกอร์ไนน์สามเรื่องนบีก็ตอบตอบว่าพรุ่งนี้ฉันจะฉันจะเล่าให้ฟังฉันจะแจ้งให้ผู้คนรู้ก็รอวะฮี แต่คำนั้นเนี่ยวะฮีไม่มาหยุดไปนานเลยเพราะวะฮีไม่มาหยุดไปนานคนอาดับบอกวะ่าฮ่าฮ่าฮ่ามันตอบไม่ได้มันไม่ใช่นบีรอพระกุ๊กก็พูดกันในตามมูบ้าน ม, มูมัดงั้นมูมัดอย่างมมางี้โกหกบ้างอะไรบางสารพัดหลังจากหายหน้าไปวะฮีไม่มานานอัลลอฮ์ก็ประทาน ให้ยิบรีนลงมาหาท่านนะดีมาพูดบอกว่าถ้าหากมุฮัมมัดจะสัญญากับใครนี่นะว่าจะทาอะไรในวันพรุ่งนี้เนะี่ยต้องให้พูดว่าอินชาอัลล์ด้วยอ่านอัยยานมันก็ลงมาว่าอย่างนี้เวลาตะกูล่นนะลิชายินอินนิฟะฮิลุดันอิลลาอิยาชาอัลล แปลว่าท่านมูฮัมหมัดจงอย่าพูดสัญญากับใครก็ตามในวันพรุ่งนี้ฉันจะทํางานพรุ่งนี้ฉันจะทํางานแล้วก็ไม่ได้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยอย่าพูดต้องให้พูดว่าอินชาอัลลอฮ์าอาทีนี้อายานี้เนี่ยยะสลูนักอานิรู มีชายคนหนึ่งก็มีคนอาหรับมุชลิกีนนี่แหละมาหาท่านนาบีที่มาถามท่านนาบีนะไม่จะถามเพื่อหาความรู้นะไม่จะถามเพื่อขจัดความโง่เขานะแต่ถามเพื่ออยากจะทดสอบภูมิปัญญาของมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นนบีจริงหรือเปล่าถามว่าไงยะสลูนากะนิรวะจงกล่าวเถิดนะครับ พวกเขาจะถามนาบีมุฮัมมัดถามท่านเกี่ยวกับวิญญาณกุลูกุลแปว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงตอบนะจงตอบอรู้วิญญาณนั้นมินอัมริรอบบีเป็นอะไรนะเป็นกิจการงานอ่าเป็นงานเป็นกิจการงานของใครอัมริรอบบีของพระผู้อาภิบาลของฉัน ตกลงว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยไม่มีใครรู้เป็นความลับนะเป็นเรื่องเร่นลับเป็นสิ่งเล่นลับไม่มีใครร่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเรื่องวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันมีไหมมีเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยทุกคนมีวิญญาณหมดแต่เคยเห็นวิญญาณไหม ไม่เคยเห็นวิญญาณถามว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างของเราตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างตั้งแต่อายุเท่าไหร่วิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างของเราเนี่ยโดยการเป่านะเมลาอิฆะมาเป่าอัลลอฮฺกล่าวว่าวันนฟัตุฟีฮิมิรูฮิฉันได้เป่า วิญญาณของฉันเนี่ยเข้าไปในร่างของมนุษย์เมื่ออายุได้สีเดือนตอนอยู่ในท้องของมารดาอลัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์สร้างมาอลัลลอฮ์อัลกุรรไม่มีใครสร้างเหมือนอลัลลอฮ์เลยหนึ่งสร้างมาจากน้ำมัสุจิสร้างมาจากอาดัมก่อนสร้างมาจากดินพอสร้างอาดัมเสร็จแล้ว สร้างภรรยาของอาดัมโตเฮาวาเนี่ยมาจากซิโครงเห็นไหมแล้วก็สร้างนาบีอิสราเอนี่ยมาจากผู้หญิงไม่ผ่านผู้ชายแล้วก็สร้างพวกเราเนี่ยมาจากน้ำอสุจิน้ำอสุจิเนี่ยผสมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในมดลูกนส่สีส่บวันจากสีส่สบวันเป็นก้อนเลือด 40วันเป็นก้อนเนื้อ40สวันเป็นกระดูกแล้วก็มีเนื้อหุ้มพอครบร้อยี่สิวันอัลลอ์ให้มาลาอิกามาเป่าวิญญาณพอเป่าวิญญาณปั๊เนี่ยเริ่มเริ่มบินแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของเราเนี่ยผ่าน Allah าาอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าลอาถามวิญญาณมาจากไหนจนกระทั่งวันนี้ไม่มีใครรู้ บอกรันว่าเก่งเก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพอพูดเรื่องวิญ ญ, ญาณเนี่ยทุกคนจวนจำนวนมดคิดไม่ออกมันมายัางไงมันอยู่ที่ไหนในเนี่ยในในในในประเทศรัเเสเซียเนี่ยเขาต้องการจะเช็ควิญญาณเหมือนกันเขาเอาเครื่องเนี่ยมาครอบเป็นกระจกเนะี่ยมาครอบคนที่ใกล้จะตายต้องการจะจับวิญญาณ เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกอ่ะปรากฏว่พาพอได้เวลาตายจริงๆนะกระจกแตกเป๊แตกไปยังไงวัลเราวันเราไม่มีใครรู้ต้องการจะจับวิญญาณเหมือนกันว่าวิญญาณออกจากร่างจะไปไหนหน้าตาเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยโอ้โหไม่สําเร็จไม่สําเร็จอัลลอฮฺไม่ให้ใครรู้เพราะอัลลอฮฺบอกกับจีบรีน ให้ยบรินมาบอกว่ากูรีรู้ฮามินอัมริอบบีเรื่องวิญญาณเป็นกิจการของพระผู้อภิบาลของฉันคําอธิบายก็คือเป็นสิ่งที่ได้รับไม่มีใครร่วมรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะจินตนาการได้วันนี้เราก็ตีความเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องวิญญาณกันเยอะมากอ้าววิญญาณเนี่ยถามว่ามาละตายแล้วมาเที่ยว มาเที today, shuffle, ่ยวเมืองไทยไหมก็ตีความกันหน้าดูมาวันศุกร์บ้างมาวันอีดบ้างมาวันเสาร์บ้างสลงปูที่นอนตอนรับวิญญาณบ้างเพอเขาตายไปแล้วก็มาเที่ยวบ้านน่ะวิญญาณไม่กลับไปแล้วไปเลยอ้าวคู่อ่านตรงไหนที่บอกว่าวิญญาณไปแล้วไม่กลับว่ามีวารออิหิมบัตจักุนอิลายามิอยู่บาซูน หลังจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนบาซักไปอยู่ที่อาลัมบัซัอาลัมแปลว่าโลกบัซักแปลว่าขั้นกลางระหว่างดุญยากับอาเคิรวิญญาณไปอยู่ตรงนู้นอยู่กี่วันอิลายามียุบาซูจนกว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพกลับไปเข้าไปในร่างอีกครั้งหนึ่งโอ้ทำดูลิลล้วนี่อตอบของมีแค่นี้จบ ดังนั้นม่ต้องไปสงสัยเลยเรื่องวิญญาณไม่ต้องไปคิดเยอะพวกเราชอบทําบุญส่งวิญญาณใช่หรือไม่ใช่ควจะวิญญาณจะไปไม่ถูกอัลลอฮฺพระผู้เป็มลายิกาเป็นคนจัดการไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยอย่าไปคิดเลยมอบให้นบีเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างถามนบีทำยังไงกับเรื่องวิญญาณนาบีไม่ทําอะไรเลยเราก็เดินตามนาบีนะต่อมาครับ ว่มาอูติตุมินเรื่องคลามรู้และทวกท่านอูติตุมจะไม่ได้รับความรู้ใดๆคือความรู้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเรื่องความรู้ พวกท่านจะไม่ได้รับความรู้เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองโอ้เห็นไหอยังเนี่ยความรู้ของมนุษย์เนี่ยที่ All o anya, อัลลอฮฺให้มาเนี่ยก็ลิลิตเติลเล็ ก, เ ล, กเล็กน้อยไม่เยอะเรื่องวิญญาณอัลลอฮฺมาให้รู้เลยเห็นไหมแล้วก็ความรู้อื่นๆนีกละศาสตร์อื่นๆอีกอออ ก, ก็เหมือนกันอั All o u, ลลอฮฺให้รู้เล็กเล็กไม่น้อยเท่านั้นเอง อา้าความรู้ถึงมนุษย์ได้รับเนี่ยอธิบายยังไงมันมากขนาดไหนมันน้อยแค่ไหนมีสองนบีนบีขิดอรนบีขิเด็กับนบีมูซาอะลัยฮิสาลามมีอยู่สองนบีนบีขิดเด็กในเห็นนกกระจบเห็นนกตัวหนึ่งเป็นออสฟูดแปลว่า น, นกนกกระจอก็ได้นะนเห็นนกกระจบ อ, อยู่บนอยู่บนเรือ เขานั่งเรือกันอยู่นบีมูซากับนบีคิดเดนั่งอยู่ในเรือและมีนกกระจอกตัวหนึ่งเนี่ยมาเกาะที่ที่ริมเรือแล้วก็อะไรนะเอาปากของมานเนี่ยไปกินน้ำทะเลนบีกระดดเตุบอกมูซานั่นน่ะนกนกกระจอกตัวนี้เนี่ยนะ ความรู้ของท่านที่มีอยู่กับความรู้ของฉันที่มีอยู่และความรู้ของประชาชนทั้งหมดเจ็ดพันล้านคนวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะความรู้ที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดรวมของท่านนาบีอีซาไอ้นบีมูซาแล้วก็นบีคุยเด็ด้วยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเหมือนกับนกกระจอกตัวนี้ที่อยู่บนเรือแล้วก็กินน้ำทะเล ความรู้ของอัลลอฮ์นั้นเปรียบเสมือนน้ําในมหาสมุทรส่วนนกที่กินน้ําอึกหนึ่งนั่นคือความรู้ที่อัลลอฮ์มอบให้กับมนุษย์เท่านั้นเองอู้หูเห็นยังอะ่ะนี่เป็นคําเปรียบเทียบที่ดีที่สุดอะ่ะใครพูดนบีคิดเดอร์ไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงไหนไม่ใช่เลขายิการพลตรีคนไหนไม่ใช่ในขับนบีพูดเนี่ย พูดเตือนนบีมูซาบอกมูซาความรู้ที่ท่านมีอยู่ความรู้ที่ฉันมีอยู่นบีคดีตนะ์เนี่ยมีความรู้มากกว่านาบีมูซานะีมีความอยู่มากกว่าขนาดมีความรู้ว่าเด่นที่สุดดีที่สุดเนี่ยต้องการจะอธิบายให้พวกเราฟังความรู้ของมนุษย์ที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์วันนี้เปรียบเสมือนนกตัวหนึ่งที่กินน้ํา ที่อยู่เข้าไปในปากของเขาก็คือความรู้ของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้มนนกนิดเดียวเท่านั้นเองส่วนความรู้อันมหาสารนั้นยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนน้าในมหาสมุทรกินเท่าไหร่ความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ยุบอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่มากเนี่ยถ้าถ้ารัเข้าใจเรื่องอย่างนี้นะทําให้เราเนี่ยไม่ตะกบดไม่เย่อหยิงไม่จองหองว่าฉันแน่ฉันเก่งโอัลลอฮ์ฉันพูดเนี่ยคนฟังเป็นแสนเนี่ย คือมัน็หยิงแต่กับบูชเหมือนกันก็ความรู้แค่นกกระจอกแค่นั้นจะมีปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับความรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาล้อนสรุปง่ายๆก็คือว่าอายานี้ต้องการจะสอนนะครับบอกว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเถียงกันเลยวยัอาลูนะนิรูห์เขาทั้งหลายหมายถึงพวกกูเรชพวก กาฟิรินพวกมุสลิม ก, กุเรชถามท่านนบีมูฮัมหมัดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณไม่ใช่เพื่ออยากจะหาความรู้เพื่อกระจัดความโง่เขาเปล่าต้องการจะลองภูมิลองปัญญามูฮัมหมัดวันนี้ก็เหมือนกันตัวครูที่สอนศาสนานเนี่ยหลายคนถามเหมือนคนมุสลิม ก, กุเรชถามเหมือนกันล้องที่ลองปัญญาตัวครูคนนี้ถือว่าเก่งๆกันจะถามปัญหามาหน่อย ฉะนั้นใครที่ถามปัญหาศาสนาเพื่อลองภูมิตอครูเนี่ยระวังนะมันจะเหมือนใครเหมือนกูรูมุชรีเกนกูเรชฉะนั้นที่จะถามปัญหาศาสนามันต้องถามเพื่อหาความรู้แล้วก็นำไ ป, ไปปฏิบัติสองไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว สงสัยมาตั้งนานตั้งยี่สิปีแล้ววันนี้มาเจอเอัลละห์ต้องการจะถามความรู้เพื่อขจัดความโง่ให้ออกไปจากตัวถ้าถามอย่างนี้มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮนานะฮูมาตาละโอ้ยละฮะบุดิลละที้คำว่ารูน้น่มีอยู่สามความหมายคำว่ารูน้น่มีอยู่สามความหมายนะความหมายที่หนึ่งก็คือวิญญาณอ่าแปลว่าวิญญาณ ความหมายที่สองแปลว่าท่านยิบรีหอะไรที่ศาลาเมริกายิบรีเนี่ยที่เป็นเมริกาที่เด่นที่สุดที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะยิบรีเนี่ยเรียกว่าอัลลอ์เหมือนกันลงมาหาท่านนบีและบรรดานบีทั้งหมดอัลลอฮ์ก็ยกย่องเรียกยิบรีว่าอัลลอฮ์เหมือนกันและอีกครำหนึ่งอัลลอฮ์แปลว่าอัลกุรอาน อัลรัฟนี่แปลว่าอัลกุรอานมีอยู am. Am ่สามความหมายนะความหมายหนึ Quran, ah ่งเรียกว่าวิญญาณความหมายที่สองเรียกว่าท่านยิยิบริละลายฮิสซลัมความหมายที่สามเรียกว่าอัลกุรอานกุรอานตรงไหนอ่ะเช่นอัลลอฮฺกล่าวบอกว่าอะไรนะนะบีฮรรูฮออาหิอัลอามน ท่านยิบรีนอะลาฮิสซลามตัวลองว่ารูรว้วนั้นมีอยู่กี่ขาหมายนะสามหมายหนึ่งเรียกว่ายวิญญาณสองเรียกว่ากุรอานสามเรียกว่าท่านยิบรีนอะลาฮิสซลามอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์นี่ได้ความรู้ไปะนะอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์บาครว่าความค่าว่ารั้นั้นอย่าแปลว่าวิญญาณอย่างเดียวไม่ได้นะบางครั้งก็แปลว่าอัลกุรอาน อัลลอ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาก็เรียกว่ารูฮหันอิไลกะนะครับเอาต่อมาอายที่อายที่ไรนะที่แปดสิบาอินชีนาลนัะเป็นนบีที่อุพยินอิไลกะว่าอินชีนา และหากเราประสงค์ช ja ินาแปลว่าเราประสงค์ถ้าหากเราประสงค์ละนัสฮาบันน์เราจะเอาสิ่งซึ่งที่เราได้บินละดีเอาไฮนาอีไลกะถ้าหากเราประสงค์เราก็จะเอาสิ่งซึ่งที่เราได้ไวแก่มุฮัมมัดนั้นเอาออกไปเสียละนัสฮาบันน์ เราจัดเอาออกไปหมายความว่าไงความรู้หรือว่าวาหีที่อัลลอได้ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดนี่นะถ้าอัลลอจะยึดเอากลับได้ไหมได้จะยึดเอาความรู้ที่อยู่ในหัวใจของนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำได้ไหมได้รวไปถึงความรู้ที่อยู่ในกลุ่มพวกเราด้วยวนเนี่ย เอาอนะความรู้ที่อยู่ในกลุ่มบรรดาซอฮาบ้านนบีและความรู้ที่อยู่ในหัวใจท่านนาบีอยู่ในหัวใจของบรรดาซอฮาบ้านของท่านนาบีถ้าเอาล้จะเอากลับน้าใครห้ามได้ไหมไม่ได้เอาคุ้มอนญาญนี้ไงวาอินชินาทหากเราประสงค์ลานาซาบันนะ่ะเราจะเอาออกไป บิลละีเอาไหนะอิลก์สิ่งที่เราได้เอาให้นะแต่ว่าอวาหีนะให้กับนบี ม, มุฮัมมัดคำว่านาบีมุฮัมมัมดในรวมถึงพวกเราด้วยวันนี้นะคนที่มีความรู้นะถ้าอัลลอฮ์จะเอาความรู้ออกได้ไหมได้อัลลอฮ์อักบัดเอามาตราเอาง่ายๆเนี่ยคนที่เคยท่องจําอัลกุรอานเนี่ยวันนี้บางคนลืม นี่ผมให้หนักเรียนปีหนึ่งอ่ะซนวีปีหนึ่งอ่ะให้ยืนอ่านให้กครูอ่านต่อหน้าเพื่อนเพื่อนบอกอัสุรอ อ, อิสรออายะที่หนึ่งนูนลืมแล้วผมก็ น, นึกถึงอาญานีเห็นไหมวะลาอินชีนาลาณัฐฮะบันนบิลละดีอัลฮนาอิลัยกะถ้าเราประสงค์เราจะเอาสิ่งที่เราได้ประทานให้เนี่ยเอาอเอากับ ฉะนั้นยาเย่อยิงจองหองกับอัลลอ์ฉะนั้นถ้าคนที่ท่องจำอัลกุ ร, รอานนะถ้าจะไม่ให้ลืมต้องทำไงต้องอ่านสม่ำเสมอถ้านานาั้นอ่านทีเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็คนที่ท่องจำกุ ร, รอานเนี่เป็นฮาฟิสจีนในภาษาอุรดูเนี่ยนะถ้าลืมกุ ร, รอารนะระวังอิมามชาพับกี้ว่าบาปอ่ะ <c oughs> <c oughs> บาปเลยนะ แต่นั้นคุณอ่านได้มาแล้วต้องรักษาให้ดีเหมือนอูดพอปล่อยไปแล้วไม่ใช่ลาสิพอปล่อยไปแล้วหนึ่งกลับไม่ถูนไปเลยฉะนั้นเราต้องเมื่ออ่านกุณอ่านได้แล้วท่องกุณอ่านได้แล้วต้อ ง, ต, องต้องพยายามอา่านพยายามท่องยิ่งอ่านเท่าไรมากเท่าไรบรารัตกับชีวิตตัวเองมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเพราะฉะนั้น นี่เรานะพอแก่ๆหน่อยนะที่เคยท่องจำเรื่องอะไรจำๆที่ทำตามมาตอนหนุ่มๆนะพออายุเจ็ดสิบแปดสิบหลงแล้วเร แ, แค่กินข้าวบางวันนะ่ะลูกถามยอกกินยังยังเขาแค่กินข้าวยังลืมมาคิดดูสิและความรู้แต่หลายคนนะงานอื่นน่ะลืมหมดแต่งานคุรอ่านไม่ลืมก็มีเยอะอ่า ดูอาเนี่ยไม่ลืมอ่านกูอาเนี่ยไม่ลืมขอดูอาเนี่ยไม่ลืมแต่งั้นอื่นๆนี่ยลืมหมดพอลืมปั๊บตัวนึกถึงอาญาเนี้ววลายอินชินาละนักฮาบันนบิลละดีเอาให้นะอีไลกะถ้าหากเราประสงค์เราจะเอาสิ่งซึ่งที่เราได้วไฮีแก่ท่านเนี่ยเอากับโอ้โหถ้าอาลัลลอฮฺเอากับนะจบนะมีฮะดีษบทนึง ท่านอิบเนมัสอัลลอฮุีลลอฮ์หวานรูได้เล่าบอกว่าใกล้กล้อาคิรุสจาแมนใกล้ๆวันเตียมะใกล้ๆวันสิ้นโลกใกล้กล้วันโลกนี้จะหมดอายุเนี่ยจะมีรีฮุนฮัมรอลมสีแดงจะมีลมสีแดงมาจากประเทศไหนประเทศที่ชี้หนคุมลาคาสุนีอยู่วะเนี่ยประเทศไหนประเทศชามิมา มาทางแถวนั้นแหละแถวซีเรียแต่ทํ า, ทานี้ยน่ะจะออกมาเป็นสีแดงพป็นลมพอลมพายุสีแดงเนี่มาเมื่อไหร่นะฟารายาบกอฟีมัสอาฟีรอยูเร น, นมัสทากมาถึงกัมพีกุลาหที่เราถืออยู่นี่นะตัวอักษรจะหายหมดตัวอักษรหมดเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยคือกันภาคหนึ่งกุลานตั ว, ตวอักษรหาย มีคนโทรศัพท์มาถามผมว่านน่กล้าจะกิยามันนะผมบอกว่ายังมึนต้องไปถามหลงพิมพซิหลวงพิมพ์พิมตกพิมพ์ต ก, ตก เ, ปเป็นแผ่นหรือเปล่าเ <laughs> วลากรอณาจะหมดจะหมดจากเล่มด้วยนะแล้วก็หมดอะไรเวลาฟีโกลบีแล้วก็จากหัวใจของมนุษย์ด้วยนั่นแหละกล้าวันกิยามันแล้ ว, ว, นนวคนที่เป็นฮาฟิดกรอณาลืมกรอานที่อยู่ในเล่มหาย นั่นแสดงว่าโลกนี้กระไกล โ, โหมีจนคนอะไรนะเสือสิงกระทิงแรกทําบาปมันเต็มไปหมดแล้วอัลลอฮฺจะเอาคุาณอ่านออกแล้วก็หัวใจของคนที่สกปรกคุณอ่านออกหมดแล้วก็ผู้เราจะตายหมดใช่ไหมคนดีๆคนที่มี إيمان นะตายหมดเหลือแต่เสือสิงกระทิงแรกแต่นี้แหละสนุกใหญ่แล้วใช่ไหมเมียใครบ้านใครขึ้นได้หมด จะฆ่าใครก็ได้จะนอนกับใครก็ได้จะด่าใครก็ได้เพราะว่าศาสนาไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมซุ่มมาก็อิบมุลิบมุสล็อท่านอิบมุสล็อได้อ่านคู่อ่านอายานี้แหละว่าฮาฮิลอายะวะเล่นสีนาละนั้นเบันบิลลัีอูฮนาอีเลกกันแต่หากเราประสงค์เราก็จะเอาสิ่งที่ เราได้วะฮีแก่ท่านเนี่ยเอาออกไปเสียขจัดออกไปยกออกไปการยกอย่างรุ่นเรานี่นะเวลาอัลลอฮฺจะยกเอาความรู้ออกจากเนี่ยจากกลุ่มพวกเราเนี่ยเขาให้ oh. อุลามาตายเอาโต๊ะครูที่ดีๆที่อัคลากดีมีความรู้ดีตาทีละคนละคนละคนละคนเหลือใจอมุดไอมัดไอมีน ไม่เอาศาสนาเลยชื่อไอ้มัดไอมุดไอมินอย่างเดียวแต่ศาสนาบ้านนะไม่ได้ฉะนั้นต้องดูแลกันไว้ศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นมีลูกให้เลือกศาสนาเยอะๆพี่น้องอย่างน้อยจะได้รักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้อยู่ในบ้านเรือนของเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในมัสยิดเราเอา้าแต่องว่าความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มานั้นโอกาสที่จะดึงปรับมีไหมมีพี่น้องอย่าตะกร บ, บุญนะอย่าเยอะยิงนะอย่าจองห้องนะ อัลลอ์จะเอาความรู้กลับมีไหมมีสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอ์เอากลับไปแล้วดูกรุอ่านต่อซุมมาลาตาจิดูละกาบิฮิอาไลนาวกีลลาลตาจิดูท่านจะไม่พบละกะผู้คุ้มครองท่านอะไรนาวกิลวกิลว่าผู้คุ้มครองถ้าอัลลอ์เอากลับแล้วนะ คนที่จะเอาความรู้มาให้อีกน่ะไม่มีแล้วจบแล้วเพราะความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือความรู้ที่อยู่ในกัมภีร์คุรานเร่นี้เป็นความรู้ที่สะอาดที่สุดเพราะสอนทุกเรื่องอ้าวต่อไปอายาที่แปดสิบเจ็ดนะครับอิลลอหมัตมิรับบิกหาก แต่ว่านี่เป็นพระเมตตารหลลอ์ัแต่ว่าความโปรดปรานด้วยความเมตตารัลลอมันั้นมีรับบิเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของท่านอัลลอฮฺอักบาร์นี่ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มานี่ถือว่าเป็นราะมกคุรานที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นความรู้ที่ผ่านจากุรานเล่ม น, นี้น่ะเป็นรหะมัก รักมั่มเนี่ยชื่อภรรยามาชื่อลูกสาวนะแอะไรนะความเมตตาอินฟัลลหูกาาลกกบีรแท้จริงฟัุลหูความโปรดปรานนี่ไงความโปรดปรานทุนนี้เขาอธิบายยังไงใครที่ท่องจำอัลกุรอานอ่า เป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่เหลือเกินเราได้ถูกให้ถูกเก็บไว้ในหัวอกของท่านนาบีอัลลอฮ์ให้คุรานเนี่ยถูกเก็บไว้ในหัวใจของท่านนาบีโดยให้นบีเป็นฮาฟิซีคนแรกนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นฮาฟิซีคนแรกเป็นคนที่ท่องจำคุรานคนแรกและพยานาบีก็ท่องจำํำคุรานหมด แล้วก็ซอฮาบะนาบีอีกหลายสิบคนเป็นคนที่ท่องจำอัลกรุรอานอินนฟบฟอละหูการท่องจำอัลกรุรอานไว้ในหัวใจไว้ในหัวอกนั้นเป็นอะไรเป็นความโปรดปรานอัลลอฮฺอักบารใหญ่หรือเล็กอะไรกากะบีรอที่มีต่อเจ้านั้นใหญ่ยยหลวงยิ่งตวัวเลคนที่มีความรู้อัลกรุรอาน คนที่ท่องจำอัลกุรอานคนที่เข้าใจอัลกุรอานนั่นเป็นคนที่อลัลลอ์ได้ประทานความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ให้กับคนเหล่านั้นเมื่อวานนี้มหาอามัดหรือเปล่าไม่ทราบอุสตาจากซแอฟริกาซ้อมนักเรียนคนตาบอดที่อยู่แม่แม่อะไรแม่สอดเหรอไม่ใช่แม่อะไรนะปลายอ่า มาเยี่ยมมามูดมามูดที่บ้านเราเนี่ยผมนั่งอยู่พอดีก็นั่งคุยกันเขามาจากซาอุิอาระเมาเมืองไทยต้องการจะมาเยี่ยมลูกศิษย์ที่อยู่ที่ปลายนั่งกระตาบอดท่าจำคุณอ่านาทั้งเล่มล้วผมนั่งอยู่กับคนปากีสถานคนหนึ่งเมื่อวานนี้แขกคนนี้มาก็นั่งคุยกันเรียกมามูดมาก็คุยกับผมเป็นภาษาอับับ คุยแต่หลายภาษาอาซาบังกีรดูอัอลลอฮ์ฮามดุลิลละพอเขามาเยียมมามุด อ, อัลลอฮอัรฮ ม, มมุดเราเนี่ยตาบอดที่แข่จะทรอักรนั่งรถมาเยี่ยมคนตาบอดด้วยกันจากปายด้วยมาเยี่ยมมมุดเรามา ม, มุดเนีเป็นครูสอนอลัลกุรอฮ์อัอลววออลอฮ์เนี่ยเห็นะว่าความเมตตาของอัลลอ์เนี่ยฟาดลูหูเนี่ย ผ่านโปรดปานทรงคนคนหนึ่งนั่งเครื่องบินมาจากเซาอาฟริกาแล้วก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมคนตาบอดแล้วคนตาบอดอีกคนหนึ่งพามาเยี่ยมมามูตาบอดในกรุงเทพยิ่งใหญ่ขนาดไห น, านาถามว่าเรามีเคยมีแขกมาเยี่ยมถึงบ้านไหมล่ะจากต่างประเทศนะไม่มีนี่คนตาบอดอลัลลอฮ์ส่งมาให้มาเยี่ยมพอแขกคนนี้กับเซาเอามีคนปาก์คิสา น, นั่งอยู่กับผม มาจาบางระูมาวานี่เขาบอกวพวกเร า, าตาดีๆไม่ค่อยทํางานาศาสนาและคนตาบอดก็ทํางานาศาสนาเขานั่งร้องไห้ร้องอักบารคนตาบอดทํางานาศาสนาวันนี้แล้วคนตาดีทําบาปใช่หรือไม่ใช่คนตาดีทําบาปคําทองคําทองฮารามแต่คนตาบอดเนี่ยรักษาศาสนาของอัลลอฮ์รักษ า, า, าอ Allah, ักาอลกรุรอาน น pues well. ั่งก็กล้องง่ายฮามดุลิลลาเป็นน้องนี่อ่ะอิลลัรอมาตัมมิรอบบิกหากแต่ว่านี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ตั้งหัเนี่ยคนที่มีอัลกุรอานอยู่ในหัวใจอัลลอฮ์เป็นความเมตตาอันย mm ิ่งใหญ่อินนาฟะบลลาูกะนาไลกะโรกิกนะกะบีรอและความจริงความโปรดปานของพระองค์ที่มีต่อเจ้านั้นใหญ่หลวงนักดังนั้นคนที่มีอัลกุรอาน อ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานหาความรู้อัลกุรอานเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดมีรายงานแต่มาใช่มาจากนบีนะคนคาฟิกอุรอานน่ยตายอ่ะแทนดินไม่กินน่ะคิดดูสิโอห้ามดุูเลยเอ้าความรู้ที่มาจากอัลกุรอานนั่นเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ดีที่สุด ถือว่าเป็นรัมฮะย่เป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอได้ประทานให้กับคนที่สนใจอัลกุรอานมันมีลูกมีหลานเนี่ยพ่อแม่จะส่งลูกลูกเรามปเรียนศาสนาฮัมดุลิลละยิ่งใหญ่เหลือเกินนะใครไม่เคารพช่างมันอัลลอให้เกียรติพ่อแล้วฮัมดุลิลละเอาต่อมาอายะห์ที่88ุลลอนจัตมาติลิน ส وا الجن ع ل ى ي ا ت و ا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهروا <ت ص> ي <في> อ <ق> ะยายนี่ตอนนี้จะอธิบายว่าคุรานี้เนี่ยใคร คิดจะลอกกุรานหรือจะเขียนกุรานขึ้นมาแข่งกับอัลลอ์นะ่ไม่มีสิทธิ์และอัลลอ์ท่านอะ่านกุรานมานานแล้วอา้าวใครเก่งๆเชิน้นสักอายะหนึ่งบางอายาสักร้อยอายาไม่สำเร็จกี่ปีมาแล้วกุรานนี่ลงมาประมาณพันสี่ร้อยกว่าปีวันนี้จะหาคน ผ่านอัลกุรอานสักอายาหนึ่งยังไม่มีใครสา ม, มารถสักคนหนึ่งอัลกุรอานอัลลอฮ์ท้าว่าไงจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกุลมุฮัมมัดจงประกาศประกาศท้าก็ได้และอินิดะตามะติลอินซุบัลยินโนอินแปว่าคนยินแปลว่ายินถ้าแน่นอนหากมนุษย์และยินอิจตามะต์แปลว่ารวมกันอัลลอฮ์ทั้งยินและมนุษย์ เจ็ดพันล้านคนเนี่ยเอาคนที่แอนตี้กุรานประมาณเท่าไรดีอะสี่พันล้านสี่พันล้านคนเนี่ยร่วมตัวกันนะนำกุรานมาสักอายะหนึ่งให้ใคล้ายๆกับกุรานเล่มนี้เนี่ยรวมทั้งยินและมนุษย์รวมกันอะไรไอ้ตัที่จะนำมาเช่นอัลกุรานนี้ และตูนบีมิสลิฮีพวกเขาไม่สาจะไม่สามารถนำมาเช่นนั้นได้คือนำมาเยี่ยงอัลกุรอานน่ะทำไม่ได้เลยนี่อัลลอฮพูดเอาไวาเห็นไหมมนุษย์จะแอนตี้กุรอานจะไม่เอาอัลกุรอานกุรอานเรือว่าถึงสุนนะนาบีนด้วยนะเพราะกุรอานกับท่านนบีมันของคู่กัน สร้างใครที่ไม่เอาสุนนะนบีใครที่ไม่เอาคุรานนะไม่สําเร็จในชีวิตชีวิตของเขาไม่สําเร็จอัลลอฮ์ใครจะนําเอาคุร า, า, านซะอันหนึ่งเหมือนกับกุรานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไม่มีความสามารถอัลลอฮ์พูดแล้วลายตูนบีมิสลีพวกเขาไม่สามารถที่จะนำเอามาเหมือนอัลกุรานหรือเยี่ยงอัลกุรานที่อัลลอฮ์ประทานมาไม่มีความสามารถ ตัวเราเดินตามผู้อ่านดีกว่าอย่าไปแข่งกับผู้อ่านเลยอัลลอฮฺอาบดุอยาไปแข่งกับผู้อ่านต่อมาว่าลวกะนาบดุฮุมลิบัดิงโรฮีรรแม้ว่าบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตามช่วยกันเต็มที่แล้วเอ้าเอานัก ภาษาศาสตร์มาเอานักวยากรณ์มาเอาวิชาอื่นๆมาทั้งหมดจะมีทั้งบทเอามารวมกันแล้วก็แต่งเป็นกุศลสักอายาหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้ยังแต่งไม่ได้เลยมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้เลยวเขาบอกเขามีความสามารถจะแต่งกุานอายาหนึ่งอายาไหนผมลืมไปแล้วล่ะ เ, เอามาเขียนน่ เขียนเขียนเขียนแล้วก็อ่านอาไม่ก็ถ้าขยาโยนขีนอ่านาไม่ก็หัวไม่ก็ทาขยาก็โยนนั่งเขียนจนกระทั่งพลเงยหน้าขึ้นมากระดาษเนี่ยทั่วมืออ่ะเฮ้ยนี่เรานี่นั่งกันตีชั่วโมงเนี่ย ยังเขียนสักอายาหนึ่งยังเขียนไม่ได้เลยแล้วก็ดาจขยามทิ้ง่ะสูงาก็หัวไปแล้วนะกองปนนเลยยอมจำนวนอัดุลออลาฮิลลลลอฮอัดุอันมุฮัมมัดราซูลุลลอฮลลลลยอมจำนวนต่ออัลละฮยอมจำนวนต่อท่านนาบีมุฮัมมัดต่อเราทับทกันมาแล้วนะ่คนในสมัยก่อนก่อน เอาตัว้องว่ากุรอานนี่มาจากอัลลอฮ์จริงๆและกุรอานนี้ใครมาเรียนแบบก็ไม่ได้นะครับมีอย่างเดียวเรียนก็หาความรู้แล้วก็ท่องจำบรักุรอานแล้วก็มีบรักัดกับชีวิตด้วยแล้วก็หัวใจของคนที่อยู่กับอัลกุรอานนใจจะนั่นใจจะนอบน้อมท่อมตนอัลลอฮ์อักุรอฮอัลอฮัลกุรอานนี่มันทําให้คนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะพี่น้องนะอัลลอฮ์แค่ฟังกุรอานอย่างเดียวเนี่ย ที่อันเพราะอัติมา ม, มาเนี่ยบางคนร้องไห้อ่ะเพราะอะไรอะตุณอ่านนี่มันทำให้คนเราเปลีป่ยนแปลงจริงๆเอ้าต่อมาครับอายาที่แปดสิบเก้าตัวลงกุณอานนี่ใครนํามาไม่ได้นะ <c oughs> อัตมาอายาที่แปดสิบเก้าว่าเราเปิดสรฟนลินนัสีฟีฮาดะลคุคราน มิงกุลิมาสลฟาบาอัษรุนสิลลากฟูรวันละกเดาจรสอนรอบนะข้นี้ตอ้องการจะอธิบายอยางีงอัยกุอาเป็นความรู้สอนทุกเรื่องอคำพี่กุอาเนี่ยเขาว่าสอนทุกศาสตร์ใช่ไหมน่ะผมเคยถูกไปบรรถูกเชิญไปบรรยาย หลายปีมาแล้วนั่งกันเยอะสี่คนห้าคนบนเวทีหัวข้อเรื่องกุรอานสอนทุกสารอัลลอกว่ากน้องพูดสี่คนเนี่ยพูดเท่าไรในนิดเดียวขณะว่าเอาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มานั่งอยู่นะอธิบายนะก็ได้นิดเดียวของักุรอานเดียวนะั้นเองเอาอายาเดียวมาอธิบายนะ่สี่คนอธิบายสองสามชั่วโมงนะ่ไม่จบมาคิดดูสิ ไอเราตั่งนึกอยู่คนเดียวว่ารออากรจะเอาศาสตร์อะไรจากกุณอานมันมีทุกศ า, า, าสตร์นะรออากรท่านไอศาตรที่ไม่ตะกบบดไปเยอะยิ่งศาสตร์นี่ในใหญ่ที่สุดเลม่มีใครเรียนท่า <c oughs> นเรียนจกากคุณอานเนี่ยท่านเป็คนนอก น, น้อมท่อมต้นอืมเอาวันเราก็จะสรฟนาแต่โดยแน่นอนยิง่งซรฟนาแปลว่าเราได้อธิบายออเราได้แจกแจงได้อธิบาย ลินนาสให้กับมนุษย์นะฟีฮาเัลกุรานอยู่ในกุรานเล่มนี้ทุกเรื่องมิงกุลลิมาซัลในทุกทุกทุกชนิดมาจนทุกรายการทุกเรื่องทุกเรื่องราวที่สังคมมนุษย์ปฏิบัติกุรานมีคำตอนอยู่นั้นหมดแล้วแล้วพูดชัดแล้วว่ากุรานเนี่ยนี้สอนทุกศาส มีอะไรบ้างอ่ะวิทยาศาสตร์มีไหมมีเลขคณิตมีไหมคณิตศาสตร์มีไหมมีเรื่องดบ่งมโมเลกุลอ้าวเห็นไหมเศร็จหนึ่งส่วนสองเสร็จหนึ่งส่วนสามในกุณอานมีพูดหมดอ้าวเนี่ย อ, อะไรนะัการโครจรโมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีไหมมีอ้าวเรื่องแต่งงานมีไหมมีเรื่องอะไรนะ่ะมุสลิมก็ต้องคุมียา ต, ต่อหน้าใครบ้างอลาวลมีบอกไว้หมด ละมุสลิมาแต่งกายยังไงพวกไว้หมดทะเลาะกันทำไงแก้แก้อย่างไงอธิบายไว้หมดประจำเดือนอ่ประจาเดือนมานี่ใช่ไหมแล้วก็ทำไมต้องรออิดดาสามเดือนรับอิสลามกับข้ออายานี้กันเยอะแยะไปหมดนี่ขนารพิการสอนทุกเรื่องอเลาไม่มีอะไรที่อัลลอฮไม่ได้สอนนอกจากเราอ่านไม่เข้าใจกันนั่นเอง ฉะนั้นสรุปสัน้นๆวันเราก็ต้องสรวฟนาเราได้อธิบายลินนาซิกับมนุษย์ฟีฮาจัลกุรอานในอัลกุรอานมิน่งกุลิมซันซึ่งการอุปมาทุกชนิดอัลลอฮฺนี่ใครจะกล้าพูดได้อย่างนี้นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวฟาอาบะ แต่ว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นอักซารุนนัสส่วนมากของมนุษย์อาบาแต่ไรนะปฏิเสธปฏิเสธไม่อ่านปฏิเสธไม่อ่านเรียนสาขาอื่นก็เรียนไปเถอะแต่กูอ่านเรื่มเดียวที่ฉันไม่เรียนอล๋อขาดทุนไหมขาดทุนแต่เรียนกูอ่านอย่างเดียวยก็ได้ทุกเสียงทุกอย่างเลยนะอักซารุนนัส มนุษย์ส่วนใหญ่นั่นไม่ยอมรับอัลกรุรอานที่ไม่ ย, ยอมรับเนี่ยไม่ใช่อื่นใดหรอกอิลลากฟูรพวกเขาไม่ศรัทธาที่เนรคุณจะอัลกรุรอานไม่จับอัลกุรอานเนี่ยเพราะเนรคุณสองเพราะไม่ศรัทธาสามนึกว่ากุรอานคงไม่ได้สอนอะไรหรอกใช่ไม่ใช่เยอะแยะไปหมดเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกร จะได้ขอเล่านิดหนึ่งมาลายิกาเนี่ยอลัลลอฮ์สอนไหมนัก บ, บิบกุรอามีเรื่องชายตอนอลัลลอฮ์สอนไหมมีถามว่ามาลายิกากับมนุษย์เนี่ยใครดีกว่ากันเนี่ยมนุษย์ที่นั่งอยู่ในสุเราเนี่ยมนุษย์ที่เป็นคนดีๆที่มีศาสนากับมาลายิกาใครดีกว่ากันจากกุรอานอธิบายนะมนุษย์ดีกว่าลึกมากครับอ้ามนุษย์ดีกว่ามาลายิกาดีๆยังไงอะ พ่อมาลาอิกาเนี่ยทำความดีโดยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดอารมณ์ไม่ต้องฝืนอารมณ์พ่อมาลาอิกะไม่กินไม่นอนไม่เข้าห้องน้ำไม่แต่งงานแล้วก็มาลาอิกะไม่กินไม่นอนไม่แต่งงานไม่ใช้ซาตัง สารพัดเนีมานในมรัยกากเรื่องทำาตวเรื่องดีๆๆๆอย่างเดียวแต่มนุษย์เนี่ยจะทำตัวเป็นคนดีเนี่ยต้องฝืนอารมณ์ใช่หรือไม่ใช่ไม่แค่มานามาซูโบเนี่ยเมียปลุกกี่เที่ยวอะสามยี่ ย, ยี่ขึ้นรอบางทีก็มมโหเียปลุกบ่อยจังสิต้องเยียมอารมณ์ พอเยียบอารมณ์ปั๊บผลบุญมาเลยตรงนี้อทีดีกว่ามาลายิกาจะ ก, กู้อารอธิบายว่าวขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องแต่ไอคนที่ไม่เอาศาสนานั่นน่มะมลายิกาดีกว่าแน่นอนพันเปอร์เซนต์พอทำตัวเหมือนชายตนใครดีกว่ามาลายิกาดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเรียนศาสนาแล้วก็ทําความดีฝื้นอารมณ์กู้อานอธิบายอีก ฝืนอารมณ์เนี่ยให้ทำสัระยะหนึ่งถสักระยะหนึ่งสักเดือนสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวความเคยชินมันก็จะตามมาพอเคยชินแล้วชินแล้วชินแล้วความอริดอร่อยมันก็จะตามมาอีกนี่มันเป็นอะไรแผนเพราะว่าทั้งหมดพอความอร่อยมาผลบุญก็จะตามมาทีนี้อัลฮัมดุลิลละอ์เนี่ยได้จา ก, กอุษุนทั้งหมดเลย การอานสอนทุกเรื่องนะอย่าไปคิดว่าอ่านคูอ่านจะได้อะไรอ๋ออ่านคูอานได้ความรู้ทุกความรู้เลยนะครับอ้าอายาที่90วกอลูแลนูมินลกฮัตตาทับจูร์เลนามินะล้ิยัมบูอาวกอลูแลพวกเขากล่าวว่า ลันุมี n a เราจะไม่ศรัทธาลากักกะกับท่านนบีมุฮัมมัดเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัด Hatta t a f j u r อจนกว่ามุฮัมมัดทำให้น้ำพุพวยพุ่งยันบัวแปลว่าพวยพุ่ง t a f j u r ูรูตาแนาม ยำบัวแรว่าน้ำตับยูรุปรพปลวายพุ่งจนกว่ามุฮัมมัดจะนำน้ำพุพวอยพุ่งออกมาจากมินัลอรดีจากแผ่นดินแผ่นดินที่นี่หมายถึงแผ่นดินในนครมักกะวันที่นบีเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเขาไม่เชื่อน่ะอา้าวใครไม่เชื่อบูญฮานาบูลแล้วครับ อับดุลลาบินอุบยัยอัลวาลิดบินมุกีรออัลอาสบินวะิลอุ ม, มัยยับบินขัลับซามะอัสวัดไม่มีใครเชื่อเขาบอกฉันจะเชื่อว่าท่านเป็นนบีเนี่ยท่านต้องมันก็เสกนะเสกลองเป่าดูสิให้น้ำในมักกาเนี่ยพุ่งขึ้นมาโอ้ความจริงเอา ล, ล่อให้นบีทำหลายเรื่องเขาเรียกว่าม้ม้วม้วนจีจะอา้าที่ทำ ก็คือผ่าผ่าเดือนใช่ไหมอ่าผ่าเดือนเนี่ยแยกออกเป็นสองวันนั่นคนเชื่อเต็มเลยนบีเคยเอามือเนี่ยวางไว้ในภาชนะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมันไหลออกมาจากมือท่านนบีทุกคนเห็นหมดเลยอะ่ะนี่อิมานมันเพิ่มมาใช่หขนาดให้ชุนขนาดนี้มันยังขอต่ออีกอขอว่าเอาน้ำาน่ยพุ่งออกมาจากแผ่นดินในนครมกักกะได้ไหม ก็อัลลอให้นำดัรันในสมัยนบีใครนบีอิบราฮีมนบีอิสมาอีล e คนแค่คนลนสมัยมันยังไม่เชื่อเลยนะคิดดูสิคน ba, น od, ีน่มันอาบามันทรยศมันดื้อดึงมันสารพัดอย่าเรียกว่าหัวใจของคนนี่นักกระด้างยิ่งกว่าหินนะ่ะฉะนั้นเหมาะแล้วที่ต้องตกนะรกระเเผาด้วย ไ, ไฟร่างอื่นๆเวลาถูกไฟแล้วเนี่ยนะไม่หมด แต่ที่ยกเว้นนะหัวใจใหม่ใม่ไม่รู้ว่าเราทายังไงในวันกี้มามันหนังอื่นๆนี่นะไหมแล้วก็เปลี่ยนใหม่นไนก็ไหมแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่หัวใจอย่างเดียวไหม่ใเพราะหัวใจเนี่ยมันแข็งมากเลยอพูดไปเรื่องหัวใจนิดหนึ่งนะคุณอ่านอธิบายอย่างนี้วันที่เลาสร้างโลกเนี่ยโลกโครงเข่ง มล า, ายกามาดรางานยาววลาโลกโครงเคง้งมนุษย์อยู่ไม่ได้ยินก็อยู่ไม่ได้อลัลลอฮฺว่อ่าอ่าฉันจะไม่ให้โลกมันโครงเคง้งอลัลลอฮ์ก็สร้างภูเขาพอสร้างภูเขาเสร็จแล้วมล า, ายกาไปสัมผัสภูเขาโอ้หูเขาแข็งจริงๆอ่ะก็ถามว่ายาอาลัลลอฮ์ที่แข็งกว่าภูเขามีไหมเราบอกว่ามีอะไรเหล็กแข็งกว่าภูเขา เหล็กสา ม, มารถทําให้บุเขาระเบิดได้ใช่ไหมเอาเหล็กก็ไปพอเห็นเหล็กมาเลก้าก็ชมว่าเหล็กนี่แข็งเขอาอบอเมาเลก้าถามว่าที่แข็งกว่าเหล็กนะั้นมีไหมเราก็อบอกว่ามีอะไรอะเลาไฟไฟทําให้เหล็กอ่อนได้พอเห็นไฟแล้วมันก็ร้อนมาเลก้าก็ถามว่าที่แข็งกว่าไฟนะ่ะมีอีกไหมเราก็อบอกว่ามี อะไรยาอัลลอ์เราอว่าวน้ำน่ะทำให้ไฟดับได้เห็นไหมนี่นี่อิสลามสอนทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ไหมยาอัลลอ์เห็นน้ำแล้วมันแข็งสามารถดับไฟได้เนี่ยที่แข็งกว่าน้ำมีไหมยาอัลลอ์ระบอกมีอะไรอะไรอัลล์ว่าลมลมสามารถทำให้น้ำเป็นคลื่นได้เห็นไมโตโตเนี่ย อัติแข็งก่อลมมีมายาอัลลอฮ์ระบมีหัวใจของมนุษย์ที่กล่าวว่าแลอิลอฮอิลลอฮ์มฮัมมัดุลรูลอลลอฮ์งที่สุดอันถ้าเราไม่จะกล่าวแลอิลลอฮ์หัวใจเป็นไงอ่อนยิ่งก็ไฟอ่อนยิ่งกัน้ำอ่อนยิ่ก็บหินอ่อนยิ่งกัเหล็กใช่ไหมแต่คามีกัลิมาอิลอฮอิลลอฮ์คเดียวอัลลอ์ยิ่งใหญ่ที่สุด ฉะนั้นเรื่องความแข็งแกร่งไม่มีอะไรเท่ากับหัวใจนะัรอ่านอธิบายอย่างนี้น้ํานที่ตกบนหินเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันหินยังสึดแต่ใจของมนุษย์ต่างหากที่อาบาวัสตักบาระวกาในมิเนลกาปิรินหัวใจมนุษย์เอาโคเชตตอนมาใช้ปฏิเสธโอหางอวดดีแล้วก็ดื้อดึงกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาฉะนั้นเวล า, าขออุทอศใจไปขอให้รวยเลย ย่าอัลลอฮฺอัลลอฮุมซาบิตกอลบิอาลาดีนิกโอ้อัลลอฮฺโปรดให้ใจของฉันนั้นมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺเถิดให้ใจเราเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺเถิดขอตรงนี้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งขอให้รวยพอขอให้รวยแล้วลืมอัลลอฮฺมาดีคนแล้วแค่ขายนาได้เงินมาลอยลันยังทิ้งนามาแล้วมันจะเหลืออะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นขอให้หัวใจเรานั้นอัลลอฮ์คือมาซาบิดกอลบีอัลาดีนิกว่าแล้วพออาทิกดีกว่าให้หัวใจนั้น น, น้น อ, นอมอน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจเป็นหัวใจที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุบฮานาหูบาดานะสรุปง่ายๆก็คือไม่อยูย่ดีดีแลหูบีฮีคอยร้อนยูฟักเตหูฟิดีนผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสมจะให้เขาเป็นคนดีรู้ไหมทาําไง เป็นคนรวยหรือไม่ใช่อยู่ฟัตตกูฟินเดนอัลลอฮฺจะให้เขานั่นสนใจาศาสนาเข้าห า, าศาสนาเข้าใจาศาสนาเป็นคนดีอย่างอื่นไม่มีครับอขอฝากขดิสนะแล้อีกอย่างหนึง่งถ้าต้องการจะรู้เรื่องศุนนะท่านนาบีเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาขดีสถ้าต้องการจะรู้เรื่องสุนนะนบีานาบัดนบีกินยังไง นบีนอนยังไงนบีเข้าบ้านยังไงนบีประชุมยังไงนบีแก้ปัญหายังไงนบีคิดอะไรนบีทําอะไรอัลฮะดีษอาซาสุนนะวิชาหะดีษเนี่ยมันเป็นที่มาหรือรากแก้วของสุนนะของท่านนบีถ้าไม่เรียนสุนนะนบีนะเรียบร้อยไม่เรียนฮะดีษไม่รู้สุนนะนบีแล้วก็หะดีษก็มีอยู่สองอย่างฮะดีษแอนอ่อนกับแข็ง ถามต๊ะครูหะดีสแข็งๆมาอยู่ที่ไหนแจ้งตรงนี้เลยอยู่ในะดีของอิมาบครีและอิมามุสลิมแข็งเป๊ะเลยอ้าวหมดเวลาับงคลุมมวดกัดอัลลอฮอิละอิลลอันตอัสตัุวะตูบิไลวัสลอลัยคุมะรห์มัดุลลอฮิวะบรกต